พวันนี้เราก็เป็นตอนเช้าที่เราจะมาทำวัดกันสวดมนต์บูชาพระบรมสารีริกธาตุก็คือมาบูชาพระผู้มีพระภาคเจ้ากันนี่นะวัดไทยกุศีนาลาหิน ก็คือเรามาอยู่ในสถานที่ที่พระบรมศาสดาสเสด็จดับขันทบริณิพานเราท่านทั้งหลายก็ตั้งใจให้เป็นไปกับกุศลอย่างมั่นคงให้ตั้งอัธยาศัยเสมือนหนึ่งว่าเรามาเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าจริงๆ เพราะว่าได้กล่าวไว้แล้วว่าถ้าเราทำสัตทินซีคือความเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวทำจิตให้เกิดความพองใสแล้วก็ธรรมชาติของศรัทธาเนี่ยจิตของศรัทธาลักษณะของศรัทธามีอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าเชื่อมั่น แล้วก็ทําสภาพธรรมที่เกิดพร้อมกับกระตนนั้นให้มีความเชื่อมั่นต่อสัตยยาวัตถุพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าดูก่อนอานนท์ทมและ ว, วินัยที่เราตถาคตแสดงแล้วบัญญัติแล้วทมและ ว, วินัยนั้นจะเป็นศาสดาของเธอหลังการล่วงไปแห่งเรา บอกว่าสถานที่ประสู่สถานที่ตัดสรู้สถานที่แสดงธรรมจักให้เป็นไปที่เสด็จดับขันธบริณิพนธ์พระบรมสารีริกธาตุโพธิพึกจักเป็นศาสดาของเธอหลังการล่วงไปแห่งเราพระศาสดาทรงอนุญาตไว้อย่างนี้ฉะนั้นบุคคลที่ศึกษาพระธรรมคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้า จนมีความรู้ความเข้าใจอย่างทองแท้แล้วท่านจึงวางจิตได้เสมอเหมือนกันว่าพระศ า, าสดายัางทรงดำรงพระชนอยู่ในฐานะแห่งพระธรรมพระธรรมบอกไว้ว่าสถานที่ที่เธอควรไปกุลบุตรควรทำศรัทธาความเด็ดเดี่ยวในกระแสจิตให้เกิดขึ้น คือธรรมชาติของศรัทธานั้นมีความเด็ดเดี่ยวเองแล้วก็ทําสภาพธรรมที่เกิดพร้อมกันกับตนเองให้มีความเด็ดเดี่ยวเหมือนทหารกล้าที่เจอบุคคลที่อยู่ฝั่งนี้แล้วเขาไม่กล้าที่จะข้ามน้ําที่เต็มไปด้วยสัตว์ร้ายทหารกล้านั้นก็กล้าที่จะถือดาบออกมาแล้วก็ประหัดประหาร สิ่งที่อยู่ตรงหน้าตนเองแล้วก็เชิญชวนคนที่ลีลีลอลอให้ข้ามแม่น้ําได้เต็มไปด้วยสัตว์ร้ายไปได้แม้ชั้นใดเราทั้งหลายที่ผ่านมาในสังสารวัฏเราไม่กล้าไม่กล้าปล่อยศรัทธาไปในพระผู้มีพระภาคเจ้าจริงๆพระศาสดาบอกไว้แล้วตั้งแต่ตรัสรู้ใหม่ๆบอกว่าดูก่อนพรม ถ้าอย่างนั้นขอให้สัตว์ทั้งหลายปล่อยศรัทธามาที่เราเพราะสัตว์นั้นไปมีศรัทธาในสิ่งอื่นมากมายทั้งรุกขเจดีป่าไมา้ภูเขาหรือไปศรัทธาต่อสิ่งที่ไม่ใช่วัตถุที่ควรเลื่อมใสอย่างแท้จริงพระศ า, าสดาก็เลยบอกว่าให้สัตว์ทั้งหลายนั้นปล่อยศรัทธามาที่เราคือพระารรคตพรมก็ ยืนยันบอกว่าขอให้สัตว์ทั้งหลายนั้นปล่อยศรัทธามาที่พระพุทธเจ้าถ้าพระบรมศา ส, สดาไม่อุบัติเกิดขึ้นมาไม่ทรงแสดงธรรมไม่ประกาศขับสอนแล้วเนี่ยสัตว์เหล่านั้นจักวิบัติจะสังเกตได้ว่าตอนที่พระบรมศาตอนที่พระพูทมีพระภาคเจ้านี่นีถ้าพูดถึงตอนที่ท่านพระสารีบุตร ที่เราไปสถานที่ปรินิพานของภาษารีบุตรมาแล้วใช่ั้ยพระธรรมเสนาบดีทาวัดแก่พระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วก็เข้าอยู่ที่พักกลางวันเมื่อเราอันเตวสิก ค, คือสัตธิทวิหารีของท่านภาษารีบุตรเ น, นี่ยนะตอนนั้นท่านไปเฝ้าพระพุทธเจ้าที่เชตวันกลับไปแล้ว ท่านก็ปัดกวาดที่พักกลางวันปูแผ่นผ้าล้างเท้านั่งขัดสมาธิเข้าพระสมาบัติขันท่านออกจากพระสมาบัติแล้วก็กำหนดว่าเกิดปริวิตกว่าพระบรมศาสดาปรินิพานก่อนหรืออัครสาวกควรจะปรินิพานก่อนเนาะก็รู้ได้ด้วยญาณปัญญาว่าอัครสาวกนั้นต้องปรินิพานก่อนเป็นธรรมเนียมอย่างนั้น ก็ตรวจดูอายุสังขารของตอนเองก็รู้ว่าอายุสังขารของตอนเองนั้นเป็นไปได้เพียงเจ็ดวันเท่านั้นก็จะต้องปรินิพานท่านก็กำหนดว่าท่านจะปรินิพานที่ไหนหน่นี่ก็คิดก็รู้ว่าท่านราหุลปรินิพานที่ดาวดึงท่านพระัญญากลยัญญาปรินิพานที่สะชัดทันตอนนั้นท่านพระราหุลก็ปรินิพานแล้ว เราเล่าจาักปริณิพานณที่ไหนก็เกิดสติปรากฏประมาณดามารดาของเรานั้นเป็นพระมารดาของพระอรหันต์ทั้งเจลูกไม่เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์มารดาจะมีอุปนิสัยริโนก็ระลึกตึกไปก็เห็นอุปนิสัยของมารดา เมื่อเห็นอุปนิสัยของมารดาแล้วเนี่ยก็ทำให้ตนเองนั้นเนี่ยระลึกว่าจกไปโปรดมารดาพอระลึกในลักษณะอย่างนั้นแล้วก็ไปลาพระศัพท์ศาสดาก็พิจารณาต่อไปว่าพระมารดาของตนเองนั้นจะจลก บรรลุได้ด้วยธรรมเทศนาของใครก็รู้ว่าจักบรรลุได้ด้วยพระธรรมของตนเองที่ทรงสแสดงไม่ใช่ของผู้อื่นหากเราพึงเป็นผู้ขวนขวายน้อยแล้วซาซคนทั้งหลายก็จักว่ากล่าวเราได้ว่าภาษาลิบุตรเป็นที่พึ่งแก่ชนเราอื่นแต่ไม่สามารถเป็นที่พึ่งแก่มารดางตนเองได้จริงอย่างนั้นนะในวันที่พระบรมศ า, ศาสดาทรงเทศนาในใน ในวันเทศนาเนี่ยสมจิตสูตรของพระเถระเนี่ยถามว่าตอนที่พระสารีบุตรแสดงธรรมในเรื่องของสมจิตสูตรเหล่าสัตว์ทั้งหลายได้บรรลุโดยเฉพาะเป็นกลุ่มเทวดานี่นะที่ได้บรรลุเนี่ยมากมายมากมายท่านใช้คำว่า ท่านพิจารณาและท่านเคยเทศนาเนี่ยบรรลุเทศนาเนี่ยสัตว์ทั้งหลายที่ได้ฟังเทวดาที่บรรลุนั้นนับไม่ได้นับไม่ได้แล้วก็บุคคลที่ทำจิตให้เลื่อมใสในพระเถราเนี่ยปดหมื่นตระกูลเนี่ยไปบังเกิดในสวรรค์กันหมดเลยอันนี้แปลว่าอะไรเนี่ยแปลว่าพระปภาษาีบุตรเนี่ยเกิดมานี่สามารถ แสดงทำให้คนมารู้ได้เยอะมากและตนเองก็มาพิจารณาว่าแต่ตนเองนั้นไม่สามารถกำจัดความมิยฉผิดให้กำมารดาได้เนี่ยเพราะฉะนั้นน่จึงตกลงใจว่าจะไปเปื้องมารดาให้ออกจากมิจฉาทิฏฐิเอามาเคยศึกษาในสูตรนี้เคยคิดถึงว่าเออเนี่ย เราบอกคนอื่นมาเยอะให้เกิดศรัทธาก็มีพอสมควรลยนีเออไปบอกให้โยมพ่อโยมแม่ไม่ค่อยได้ตอนนั้นเครียดตอนนั้นตอนนั้นเคยมีความรู้สึกว่า อ, อยากให้โยมประพฤติปฏิบัติเคยเดินลงจากบ้านมาทีแล้วไม่อยากจะกลับเข้าบ้านทีในความรู้สึกถ้าตราบใด โยมพ่อโยมแม่ยังไม่เกิดศรัทธาในพระรัตนตรัยจะไม่เดินกลับบ้านคิดเงินเคยคิดเลยแต่ก็ตอนนี้ก็เห็นท่านลืมสนใจพระธรรมก็ลืมมองโอ้นบางครั้งต้องใช้เวลาจริงๆตอนนั้นท่านก็เลยถือบาทและจีวร แล้วก็ไปกัะจุนท่าพระเถระเก็บเสนาสนะปัดกวาดที่พักกลางวันที่เชตวันแล้วเนี่ยยืนอยู่ที่ประตูมองดูที่พักกลางวันก็ตำหนิว่าบัดนี้เป็นการเห็นครั้งสุดท้ายนะไม่กลับมาผู้อันภิกษุ500รอรูปแวดล้อมแล้วก็เข้าไปฝ้าภาษาสดาถวายบังคมทูลลาภาษาสดาบอกว่าที่จริงท่านกล่าวเป็นคาถาเขาไว้เน ท่านไปลาวศาสดาลาเพื่อจะไปนิพพานนั่นเองแต่ตอนเนี้อเราจะมาลาพระพุทธเจ้าตรง น, นี้เราจะลาไปเพื่อเลยลาเพื่อเพื่อจะไปทํากิจในการที่จะกําจัดกิเลสจะทํากิเลสให้นิพพานนั่นเองก็ถวายบังคมทูลลาพราะบรมศาสดาว่า ชินโนธานิภวิสามีโลกนาธามาหามุนีขมานาขม า, นางนาทีปัจฉิมาวันทนาอายังชีวิตตังอปะกังไมห่างอิโตสัตตาหามัดเกย นิค ah an an ิปัยยมหังเทหังภารโวโรปนังยธาอนุชานาตุเมพันเตอนุชานาตุสุขโตปรินิพานกาโรเมอสโทอายุสังคโรบอกว่า ข้าแต่พระมหาหมุนีเจ้าผู้ทรงเป็นที่พึ่งของสัตว์โลกเป็นที่กำจัดภัยของสัตว์โลกเป็นที่ไปเป็นไปในเบื้องหน้าของสัตว์โลกบัดนี้ข้าพระ อ, องค์ตัดสินใจแล้วไม่มีการไปการมาอีกนี้เป็นการถวายบังคมพระบรมศาสดาเป็นครั้งสุดท้าย ชีวิตของข้าพระองค์เหลือน้อยต่อจากนี้ล่วงไปเจ็ดวันข้าพระองค์จกทอดทิ้งเรือนร่างเหมือนวางภาระลงขอพระบรมศาสดาพระพุทธเจ้าโปรดทรงอนุญาตขอพระสุคตโปรดทรงอนุญาตแก่ข้าพระองค์ด้วยเถิดนี้เป็นเวลาปณิธานของข้าพระองค์ข้าพระองค์ป่งอายุสังขารแล้วพระเจ้าข้านี่ภาษาบุตรท่านเวลา ไปราพระบรมศาสดาท่านบอกว่าชีวิตท่านเหลือเจวันทำไมท่านท่านรู้ว่าชีวิตของท่านจะเหลือเจวันเพราะท่านมีจักษุของพระอริยะท่านมียานปัญญาของพระอริยะแต่เราที่นั่งกันอยู่นาะที่นี้ไม่ทราบว่าชีวิตจะอยู่ได้เจวันหรือเปล่าไม่รู้เลยแล้วบอดสนิทเลยเนะื้เนี่ย ชีวิตเราพวงพวกเราในบอดสนิทเลยไม่สามารถกำหนดลมหายใจได้ว่ามันจะขาดลงหนวันไหนนี่คือความมืดบอดของจิตที่ขาดปัญญายาณอย่างรู้อดีตอนาคตปัจจุบันภายในภายนอกอย่าละเอียดเลวและประนีตใกล้ๆนี่คือความมืดบอดนะและมืดบอดไปกว่านั้นอีก อยู่ต่อหน้าพระบรมศาสดาแล้วไม่รู้จักภาษาศาสดาทรงประทับอยู่มองไม่เห็นอัฐะคำสอนของภรษาศาสดาอันนี้ก็เป็นความมืดบอดในปัจจุบันด้วยเราท่านทั้งหลายเมื่อได้ฟังพระธรรมเขาขจัดความฝ้าผ้ามัวในเจ็ดจิตใจได้บ้างว่า พระบรมสารีริกธาตุจากเป็นศาสดาของเธอหลังไปพระธาตุที่เกิดจากศรีลัของเราจะเป็นศาสดาของเธอหลังการล่วงไปแห่งเราเอาเพอพอเข้าใจพอบอกเป็น พ, พระศาสดาเข้ามาก็ได้แค่อเมธสบูชาเอายังไม่เข้าใจอีกศาสดาก็บอกบอกว่าแต่ฐาคตบําเพ็ญบารมีมัณใต้เบื้องมูลบาทพระศาสดาเนี่ยไม่ใช่เพื่อ ไม่ใช่เพื่ออามิสบูชาเนี่ยฉะนั้นแค่อมิสบูชาอย่างเดียวนั้นไม่สามารถที่จะทำให้ปอกภาษาสดาบำเพ็ญพั น, นธนบา ร, รมีศีลบา ร, รมีเนคขมมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะอธิฐานะเมตตาและอุเบกขาบา ร, รมีอุปบา ร, รมีสิบปรวัธบา ร, รมีสิบใขค้ควร พราบารมีทั้งหลายมาว่าตนเองจะบ่มเพาะบารมีนั้นเพื่อตัดสู้เป็นพระผู้มีพระภาคจเจ้าตนเองข้ามได้แล้วจากยังสัตว์อื่นให้ข้ามด้วยพ้นจากกามาสวะพวาสวะทิฏฐาสวะอวิชชาสวะแล้วจากทำสัตว์อื่นให้พ้นจากอาสวะเหล่านั้นด้วยตนเองได้ปรินิพานแล้วจากยังสัตว์อื่นให้ปรินิพานด้วยสังสารวัตมีภัยมากเลยตัดสินใจทิ้งอรหัตมรรคอรัตผล ที่ปรากฏอยู่ในเงื้อมมือในยุคนั้นสามารถที่จะฟังพระธรรมเทศนาเพียงไม่ถึงสี่บาทคาถาก็ตัดสรุปเป็นพระอรหันต์แตกฉานอภิน ญ, ญาและมีปฏิสัมพิทาเพียบพร้ อ, อมแต่สละทิ้งเพื่อบำเพ็ญพระหิตประโยชน์คือประโยชน์ให้กับพวกเราไงต้องการจะบำเพ็ญประโยชน์เพราะมองเห็นพวกเราที่ตาดำดำ ที่ไม่สามารถมองเห็นช่องทางเห็งการออกจากสังสารวัตท่านภาษารีบุตรบอกว่าข้าพระองค์ทอดทิ้งเรือนร่างเหมือนวางภาระลงก็แปลว่ า, วาท่านจะไม่หยิบขึ้นมาใหม่แล้วท่านจะวางตาหูจมูกริ้งกายใจทิ้งท่านจะปลดเปลื้องภาระเพราะท่านอิจนาระอาใจกสิรีระของท่านเหลือเกินประดุดดัง เอาสุนัขเน่ามาผูกคอเข้าไว้แล้วแกะออกไม่ได้สัทีในสังสารวัฏที่ผ่านมาเราท่านทั้งหลายถ้ามีสุนักเน่ามัดอย่างดีติดผูกติดคอเนี่ยแล้วเราก็แกะออกไม่ได้เพราะไม่มีอุบายในการแกะแล้วจะ อ, อึดอัดอิจนาละอาต่อสรีระที่เน่าเหม็นนี้สักเพียงไรท่านพระสารีบุตรก็อิหนาละอาใจอย่างนั้นนั่นแหละแต่ท่านรู้ว่า เมื่อลมหายใจท่านขาดท่านกระวางภาละจริงๆแล้วท่านก็ไม่หยิบตาหูจมูกเล่นกายใจมาก่อเกิดขึ้นในภพใหม่อีกต่อไปแล้วพอท่านนั้นทาปริญญาวิจัยกระแสของตาหูจมูกเล่นกายใจจนเห็นชัดเจนว่ามันไม่งามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันเป็นอนัตตามันเป็นรังของโรคเป็นหัวฝีมันเป็นโูกซ้อนมันเป็นความลาบากการยกขันธภาระขึ้นมาแบกเน่เป็นภาระอย่างมาก ถ้าการปรงการวางภาละเหล่านั้นได้มันเป็นบรมสุขเป็นความสุขอย่างยิ่งและท่านจะวางแล้วท่านมีสลีละเป็นที่สุดเพราะท่านได้อริยทรัพ์ของพระบรมศาสดาท่านได้ธรรมะมรดกท่านไม่ได้แค่อมิสมรดกของพระศาสดานะท่านเข้าใจในธรมรมทายาตท่านไม่ท่านเข้าใจอมิสทายาทอมิสทายาทก็คือบริโภคใช้สอยสมบัติของพระพุทธเจ้า ท่านไม่ติดในอามิตรเหล่านั้นเพราะรู้ว่าพระศาสด า, สดาทรงคายทรงถ่มทิ้งแล้วประดุดดังก้อนเคละหรือก้อนเสเลติีติดปลายลิ้นเราท่านทั้งหลายยังไม่เห็นสรีละใยความเป็นของไม่งามขนาดนั้นแต่เห็นน้อมใจวิจัยพิจารณาเถอะว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆท่านบอกว่าชีวิตของท่านเหลือน้อยชีวิตของข้าพระองค์เหลือน้อย ของเราท่านทั้งหลายก็เหลือน้อยที่นั่งกันอยู่เนี้ชีวิตในภพนี้เหลือน้อยแต่ชีวิตที่จะเป็นไปในสังสารวัตนั้นน่ะจกน้อยหรือมากท่านทั้งหลายใคร่ควรดูว่าเข้าถึงบทของพระธรรมได้หรือยังถ้ายังไม่สามารถเข้าถึงบทของพระธรรมแล้วเนี่ยเราอาจจะไปอยู่ในเพศของปีศาจก็ได้เช่นไปอยู่ในเพศของสัตว์อบาย่นั่นแหละก็ไปอยู่ในเพศของปีศาจ ถ้าเราเข้าใจบทของพระธรรมได้เมื่อไหร่แล้วเราจะทิ้งเพศของปีศารจรได้เหมือนนางยักษิซีนีก่อมลูกน้อยบอกว่าดูก่อนลูกลูกอย่าเอ็ดไปพระธีระกำลังกล่าวบทแห่งพระธรรมอยู่ในสังสารวัที่ผ่านมานี่แหละ พราะเราไม่เข้าใจบทของพระธรรมนั่นแหละเราจึงท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏและเรายังและเรายังได้ฐานะอยู่ในเพศของปีศาจอย่างนี้อย่าร้องไห้เนี่ยเธอก็ได้สัมผัสมรรคผลไปแล้วเนี่แม้อยู่ในเพศที่น่าเกลียดน่ากลัวแล้วเราเราอยู่ในเพศของมนุษย์เนี่ยเมื่อพระกำลังกล่าวบทแห่งพระธรรมอยู่นั้นเน่ย อย่าเอ็ดไปนะหมายความว่าอย่าทําให้ราคาโทสะโมหะมานาทิฐิวิจิกิชาหินิกาโนตปะอย่าให้อุทธจฉาความฟุ้งซ่านอย่าให้ทีนมิทะมันครอบงาจิตใจอย่าให้ความหดหู่ท้อถอยมันทําจิตให้ตื่นขึ้นทําจิตใจให้เบิกบานให้อาถานให้มีสังเวชาญาณให้สะดุ้งตัวกลัวตัวพายใหญ่ 1. ชาติภัยคือการเกิดเป็นมหันตภัยใหญ่นะที่ยังไม่พ้นชราภัยภัยคือความแก่ก็ยังไม่พ้นพยาธิภัยภัยใหญ่คือความเจ็บไข้ที่กำลังเจ็บป่วยกันก็มีก็ไม่พ้นมรณะภัยภัยคือความตายก็ยังไม่พ้นพระบรมศ า, าสดานั้นมีกุศลกรรมที่ยิ่งใหญ่สักเพียงใดมหาบุริษละขนาด32อนุพยัญชนะ80 ประดับร่างกายของท่านนะมาจากกุศลกรรมที่แข็งแรงบ่มเพาะบารมีมา20ประสงค์ขายยิ่งด้วยแสนกับยังทนต่อสภาพของความเป็นธรรมดาของสังขารไม่ได้เลยยังต้องทอดทิ้งขันธภาระที่แดนปณิธานสัทถูปที่เราไปสักการะกันแล้วก็จะไปสักการะเป็นครั้งสุดท้ายในวันนี้แล้วก็จะจาลิกแล้วก็จะเดินทางไปในะที่อื่นเนี่ย ต้องสะดุ้งสะทือนว่าภัยใหญ่อีกอย่างหนึ่งกค e ็คือว่าวัตฏะมูลวัตฏะสงสารที่ยังไม่พ้นจากการไปเกิดเป็นสัตว์นรกที่ยังไม่พ้นจากการไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานที่ยังไม่พ้นจากการไปเกิดเป็นเปรตและไม่พ้นจากการไปเกิดเป็นอบายยังไม่พ้นจากการท่องเที่ยวไปในสังสารวัตรที่จะต้องเจ็บปวดกันอีกมากนี่คือภัยใหญ่ยานสังเวขาญาณะต้องพิจารณาเห็น ภัยใหญ่เหล่านี้และภัยใหญ่อีกอย่างหนึ่งคือมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดต่อภาษาสดาปฏิบัติผิดต่อภาษาสดาไม่กล้าที่จะศรัทธาในภาษาสดาอย่างแท้จริงเป็นมหันตภัยมากอุโลน า, นานาสตอุโลกนภัยภัยในการที่จะเง็นมองหาครูห า, าศาสดาอยู่ล่ามไป วันนี้ได้คบกาลยานามิตรคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมของพระพุทธเจ้าสาวกของพระพุทธเจ้าก็พอจะรู้คําสอนบ้างแต่การที่เราไม่เข้าใจบทของพระธรรมอย่างลึกซึ้งอย่างละเอียดอย่างท่องแท้ไม่สามารถเดินหยุดสู่แนวทางแห่งสัมมาปฏิบัติคือมัชฌิมาปฏิบัติา น, นี่ละเว้นที่สุดสองสายคือการมาสุขคาลิกาโยโยคือการปฏิบัติพัวพันกับการมาสุข ที่เป็นไปด้วยอนาจของกิเลสกรรมและติดข้องอยู่ในวัตถุกรรมและอัตตกิรมาฐานุโยโการปฏิบัติตนเองที่เข้่งเครียดเป็นไปกับอำนาจของโทสะความโกรธความหงุดหงิดฟุง้งซ่านและก็ปฏิบัติทรมานตนให้ลําบากเปล่าการที่ไปข้องแวะอยู่กับสัสตตะทิฏฐิเห็นว่าเที่ยงอุเชททิฏฐิเห็นว่าขาดศูนย์ การที่ไปพัวพันอยู่กับความเห็นที่ผิดพลาดต่างๆเหล่านี้อันนั้นเป็นการปฏิบัติที่เข้าถึงที่สุดที่ผิดทางเนะนื้อนัะมาจากคําว่ามิจฉาทิฐิถ้าเราได้สัมมาปฏิปทาได้มัชฌิมาปฏิปทาการดําเนินสู่ศรัทธาที่แท้จริงวิริยะที่แท้จริงสติสมาธิปัญญาที่แท้จริง ดำเนินตามสติปัฏฐานดำเนินตามมรรคแปสรุปลงในศีลสมาธิปัญญาทำศีลสมาธิปัญญาให้เกิดขึ้นในทวารทั้ง6คือทางทวารตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นต้นได้ไม่กำหนัดในอารมณ์เป็นที่ตั้งเห็นความกำหนัดไม่ขัดเคืองในอารมณ์อันเป็นที่ตั้งเห็นความขัดเคืองไม่รุ่มหลงในอารมณ์อันเป็นที่ตั้งเห็นความรุ่มหลงเวลาใดเวลานั้นท่านจึงจะเรียกว่ามัชชิมาปฏิบัติานะ ถ้าเราไม่เข้าใจมัชฌิมาปฏิบัติเนี่ยเราจะบูชาพระศาสดาผิดพลาดทันทีเอาตั้งใจนะตั้งนโมพร้อมกันนโมตัสสะบร a ัฏโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะบรหัฏโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะบกวะโตอราหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น พ่อหน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นผู้ไกลจากกิเลสผู้ไกลจากกิเลสตัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองตัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวันทามิเจติยังสับพังวันทามิเจติยังสับพังอาราเมสุปฏิทิตังอาราเมสุปฏิทิตังภูมิพระโรมหาราชาภูมิพระโรมหาราชาทัตตะวารีริกธาตุเย้ ตุโยทัตตวาสารีริกขทาตุโยกุสินาราวิหาเรเวหะกุสินาราวิหาเรเวหะเจติเยสุปติทิตาเจติเยสุปติทิตาอัริฤษามหาทาตุอัริฤษามหาทาตุราชาสัตธาตินามกังราชาสัตธาตินามกังปูชิตังนระเทเวหี ปูชิตังนระเทเวหิวันทามิตังสิเรนาัง nah <ang> วันทามิตังสิเรนหัง <S 2> <S 2> อ, อิมินาปุญญกัมเมนะอิมินาปุญญกัมเมนะสุโคโหโมินิรามโ ย, ย S 2> <S 2> สุโคโหโมินิรามโ ย, ยสุวิริโยสุเมธาวีสุวิริโยสุเมธาวียาวะนิพพานปัจจยาตี ยาวะนิพพานปัจจญาติข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอกราบไหว้บูชาขอกราบไหว้บูชาพระมหาธาตุเจดีพระมหาธาตุเจดีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลมหาราชภูมิพลมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานพระบรมสารีริกธาตุ พระบรม ส, สารีริกธาตุมาประดิษฐานไว้ณพระมหาธาตุเจดีย์มาประดิษฐานไว้นะพระมหาธาตุเจดีย์ มหาวิหารณมหาวิหารที่ทรงโปรดพระราชทานนามว่าที่ทรงโปรดพระราชทานนามว่าวัดไทยกุศิณาราเฉลิมราชแห่งนี้วัดไทยกุศินาราเฉลิมราชแห่งนี้ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอนอบน้อมสักการะน้อมสักการะนมัสการพระบรมสารีริกธาตุนมัสการพระบรมสารีริกธาตุขององค์สมเด็จ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันมนุษย์อันมหาราชาอันมนุษย์อันมหาราชาเทวดาและหมูพห <c oughs> ่พระอรหันเทวดาและหมู่พระอรหันได้บูชาด้วยเสียงกลราวได้บูชาด้วยเสียงกลราดด้วยการนมัสการบูชาสการะนี้ด้วยการนมัสการบูชาสการะนี้ขอจงเป็นปัจจัยขอจงเป็นปัจจัยให้ข้าพเ จ, จ้าทั้งหลาย ข้าพเจ้าทั้งหลายประสบความสุขกาายสสสุุขใจประบควมกายสุกใจพ้นจากอุปสรรคอันตรายทั้งหลายพ้้นนจาาากอารรอุปสรรรคััตยยทงหลเป็นผู้ประกอบความเพียรเเปป็นผู้ระกอบความพียนในการจะทําอริยามารรคให้เกิดขึ้นในการที่ทําอริยามารรคให้เกิดขึ้นเป็นผู้มีความเจริญในธรรมเป็นนิพฺป เป็นผู้มีความเจริญในธรรมเป็นนิจจนกว่าจากบรรลุถึงจนกว่าจะบรรลุถึงซึ่งอนุปาทาปริณิพานซึ่งอนุปาทาปริณิพานคือการดับกิเลสคือการดับกิเลสและการปรองคันห้าลงโดยไม่มีส่วนเหลือและการปรองขันห้าลงโดยไม่มีส่วนเหลือเพื่อเดินตามรอยบาทต菩าสดาเพื่อเดินตามรอยบาทตศาสดา เหมือนสถานที่ที่พระบรมศาสดาเหมือนสถานที่ที่พระบรมศาสดามาทิ้งขันธภาระมาทิ้งขันธภาระให้แก่พยามาณให้แก่พยามาณณแดนปรินิพานแห่งนี้ณแดนปรินิพานแห่งนี้ขอเรานอบน้อมในลักษณะตั้งอัธยาศัยว่าเราตั้งอัธยาศัยมาปแสดงปฏิญญาว่าเราต้องการจัก ปดเปลืองกันธภาระลงเพราะเราเห็นตามความคําสอนของภาษาสดาว่าการแบกของหนักนี่นเป็นความทุกข์ท่านภาษาลิบุตรขอพระสุคตเจ้าโปรดอนุญาตแก่ข้าพระองค์ด้วยเถิดนี้เป็นเวลาปณิธานของข้าพระองค์ข้าพระองค์ทรงอายุสังขารแล้วพระเจ้าข้าภาษาริบุตรท่านเวลาพระบรมศาสดาเพื่อจะป ร, ะริิพาน เมื่อพระบระมาศาสดาได้ฟังอย่างนั้นแล้วถ้าพระบระมาศาสดาตรัสว่าจงปริญพญาเถิดพวกมิจฉาทิฏฐิก็จะยกโทษว่าพารณาคุณของความตายถ้าพระศาสดาบอกว่าอย่าปริิญพาก็จะกลายเป็นว่ากล่าวคุณของสังสารวัฏไปอีกก็จะสาราเสริญการการเกิดในพบใหม่เห็นไห พระาศาสดาเวลาจะตรัดคำพูดจะพูดอะไรแต่ละคำเนี่ยพระาศาสดาก็คิดแล้วคิดอีกนะพวกเราล่ะเวลาจะพูดอะไรกันแต่ละคำก็ไม่ค่ยจะคิด น, นี่พระอรหันต์ทั้งหลายที่ท่านมีสติค่อนข้างแข็งแรงบริบูรณ์เนี่ยท่านจะเป็นอย่างนี้อยมพวกเราเป็นผู้พังผือมากวาจาจะกล่าวกายกรรมที่จะเคลื่อนไหวใจที่จะคิดบางทีหลุดหมดเลยครั ละลึกก็ไม่ได้ตามระลึกคําสอนก็ลึกบบางทีพระกําลังกล่าวบทแห่งพระธรรมอยู่คิดตามทุกคําไม่ได้อันนี้บ่งบอกเพิ่งสติอ่อนแอนะถ้าใครต้องการฝึกสติให้แข็งแรง <c oughs> เมื่อพระกําลังกล่าวบทแห่งพระธรรมอยู่ให้ตามร <c oughs> ะลึกทุกคําพูดได้นั้นชัดเจนเลยกล่าวแต่ละคําก็นึกตามนึกตามนึกตามนึกตามนั่นแหละเขาเรียกฝึกสติอย่างเราทําได้ เวลาพระท่านกล่าวแต่ละคมกล่าวของกุศลเราก็้อมมนาสิการคําว่ากุศลในใจตั้งศรัทธามั่นคงแล้วก็จะตั้งศรัทธามั่นคงในใจทำศรัทธาเป็นปัจจัยแก่ความเพียรทําความเพียรให้เป็นปัจจัยแก่สติทําสติเป็นปัจจัยเกิดสมาธิทําสมา ธ, มาธิเกิดปัจจัยแก่ปัญญาโอ้ยเข้าใจเลยเหมือนคําว่าบูชาบูชาในคเนี้คาว่าบูชาเนี่ยเป็นชื่อของกุศลจิตุบาบาทนะ เป็นชื่อของกุศลที่มีศรัทธาเป็นประธานที่มีเจตนาเป็นประธานที่มีปัญญาเป็นประธานนะคือความจงใจจัดแจงในการที่จะน้อมปรุงแต่งจิตอธิษฐานจิตจเจริญจิตในการที่จะถวายส ก, การะบูชาแดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเครื่องส ก, การะอยู่ตรงหน้าเรามีมากมายมีทั้งจีวรมีทั้งกลวยบูชามีทั้งเพชรนินจินดาเยอะแยะไปหมดใช่ไหม สากาละดอกไม้ของหอมต่างๆวางอยู่ตรงหน้าเยอะแยะเบีดเสร็จอันนั้นเป็นวัตถุทานที่จะน้มถวายเป็นบูชาเริ่มคิดเป็นแล้วเห็นไหมเนี่ยก็ปรุงแต่งตามที่พระท่านสาธยายไปสิอย่างนี้เ็าเรียกว่ายกระดับจิตปรุงแต่งจิตอธิษฐานจิตเจริญจิตอยู่แต่ไม่ใช่พระเขาพูดอีกอย่างแล้วก็ปิดความรู้สึกเสียไม่ฟังแล้วไปมัวคิดแต่เรื่องอื่นอย่างนั้นเขาเรียกว่า เผลอเลยสติเขาเรียกว่าขาดสติมองพระศาสดานู้นะมองพระศาสดามองดิว่าพระศาสดาประทับอยู่ต่อหน้าเราเรามาเฝ้าพระศาสดาตอนนี้กายสะอาดไหมวาจาสะอาดไหมคนที่เขาศรัทธาจริงๆอ่ะเวลาจะพูดเขายัางต้องล้างปากก่อน จะไหว้พระาศาสดาก็ยังต้องล้างมือก่อนแม้ทางก้างกายก็ยังให้สะอาดไม่ต้องบอกถึงกายแล้วเขางดเว้นจากทุจริตสามวจีก็งดเว้นจากวจีทุจริตสีใจก็ไม่โลภใจก็ไม่โกรธใจก็มีปัญญาเข้ามาเฝ้าพระาศาสดาเอาสุจริตสามมาเฝ้าอย่าเอาทุจริตสามมาเฝ้าไม่บังควร ราษาสดาเหม็นกลิ่นของกิเลสนะเรามาปล่อยกิเลสให้โชยต่อหน้าภะษาสดาไม่อายหรือเงี้ยเราต้องมีฮิลิอตปะใช่ั้ยเกรงกลัวถ้ตอตปะก็คือกลัวบาปไงฮิลิก็ละอายประดุดดังหญิงสาวอ่ะละอายมีความละอาย แล้วก็มีความกลัวต่ออบายภัยเราจะมาเฝ้าภาษาสดามาให้กามวิตกตรึกในเรื่องกามมาใหพ้พยาบาทวิตกตรึกในเรื่องความคเครียดความห ง, งุดหงิดมาให้วิหิงสาวิตกคิดเบียดเบียนคนนั้นเบีดเบียนคนนี้ไปให้วิตกที่ฝ่ายชั่วมันกัดกินทำไมให้กุศลวิตกที่เกิดขึ้นยมน้อมเนกขมะวิตกออกจากกามออกจากวัตถุกาม น้อมอภัยาบาวิตกมีใจที่เป็นไปกับความไม่โกรธมีจิตผ่องใสน้อมอวิหิงสาวิตกมก็หมายความว่าไม่คิดเบียดเบียนใครเลยคิดให้อภัยเขามีมหาทานเกิดขึ้นในกระแสจิตน้อมถวายเป็นพุทธบูชาพระศ า, าสดาทรงปรารถนาธรรมบูชาอันนี้ บำเพ็ญบารมีมาอย่างอุกฤษสละชีวิตนับไม่ถ้วนแต่มานั่งรอรับแค่อมิสบูชาพระศ า, าสดาไม่ได้หวังอย่างนั้นหวังให้เราได้ธรรมบูชาธรรมบา ร, รดกแต่ฐาคตพิจารณาพระธรรมมีพระธรรมเยอะมากมีม ร, รดกมากตอนนี้มานั่งเพื่อจะรับม ร, รดกแต่เรากลับมาเอาแค่อมิสบูชามันน่าอายไหม ก็ไม่ได้เห็นพระศาสดาแล้วเกาะพระเจดีย์อยู่อย่างเงี้ยพระรยาก็บอกดูก่อนอุบาสกอุบาสิกาดูคอนภิกษุเธอไม่ได้เห็นตถาคดแตแล้วเธอก็มาเกาะจีวรมาเกาะพระบรมาธาตุมาเกาะพระเจดีย์เป็นเหมือนจิ้งจกทุกแกดูพระศาสดาอยู่เนี่ยเธอไม่เห็นพระศาสดาแล้วเธอไม่มีจักษุ ข, ของภริยญาพอเธอไม่มียานจักษุเนี่ย ผู้ใดเห็นธทมผู้นั้นนะ่ะชื่อว่าเห็นตถาคตก็หมายความว่าผู้ใดเข้าใจในการเจริญกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตผู้ใดเข้าใจในการทำศรัทธาทำความเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวให้เกิดขึ้นทำความเพียรที่แรงกด้ให้เกิดขึ้นทำสติที่แข็งแรงในการตามละลึกได้ย้อนละลึกได้จำได้คิดได้ไม่ฟันเฟือนไม่เลือนเลื้อผู้ใดสามารถตั้ง สมาธิให้มั่นคงในองค์ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีปัญญา ก, กว้างไกลเห็นรมเห็นคำสอนนอบน้อมปฏิบัติตามอย่างไม่มีมายาไม่มีสาเถยะไม่โอว้วกขจัดจิตคดงอไม่คดเหมือนปัสศวะโคไม่โคเหมือนเสี้ยวพระจันทร์ไม่งอเหมือนหางไถ่ปฏิบัติตรงต่ออริยมรรคเดินตามล่องรอยของมชิมาปฏิปทาได้ตรง ไม่มีบาปราดลดในกระแสะใจนั่นแหละท่านผู้นั้นเริ่มเข้าใจคำว่าเห็นแต่ถาคตเลยเพราะเห็นพระิรรมเราท่านทั้งหลายน้อมกายวาจาและจิตใจให้มั่นคงอยากกังวลเรื่องอื่นอย่าห่วงใยสตรีละ ท่านทั้งหลายถาลม่มหายใจขาดตรงนี้ปล่อยไปฮึตายมาจะนับไม่ได้แล้วยงพระก็มรณาภาพกันมาไม่รู้เท่าไหร่แล้วบวชมาบางท่านก็น 30, 4สิ0สี่ห้าปีนี่จนศรีรษะนี่เป็นเหียงเขียงรับมีดเนี่ยไม่รู้ก แต่ไม่ได้บรรลุคุณธรรมใดๆไม่ได้แต่คุณธรรมใดๆใเกิดขึ้นเป็นชาวพูดกันมาตั้งนานไม่เข้าใจพระธรรมนีงมันก็น่าคิดว่าเรากําลังทําอะไรอยู่นั้นอย่าไปกังวลเรื่องอื่นเลยลมหายใจขาดแล้วก็มีสุขติเป็นไปถ้าศรัทธาเลื่อมใสอย่าไปกังวลตายมาหลายอาถภาพแล้วถึงก็เกิดดี สังสารวัตมันเป็นแบบนี้เลยเพราะโทษของการไม่เข้าใจบทแหตุกรรมเนี่ยเราจรึงได้เพศที่เป็นแบบนี้จึงได้อัตภาพที่เป็นแบบนี้ไงนี่มันนั่งทรมานกันอยู่เนี่ยก็พิจารณาย้อนไถ่ครวนนี่เขาเรียกว่าปฏิบัตินี่ตอนนี้เราปฏิบัติแล้วนะ อย่าไปคิดว่านั่งหลับตาอย่างเดียวเนี่ยตาที่ว่าเรานำกุศลและทรรกุศลแจิตให้เกิดขึ้นนี่เขาเรียกเป็นการบูชาด้วยธรรมะบูชาเพราะกุศลและจิตมาจากโยนิโสมนสิการคือการฉลาดคิดคิดถูกทางคิดถูกวิธีนการที่จะคิดได้ถูกอุบายถูกวิธีได้ คิดเข้าหาคําสอนได้คิดปลุกเร้ากุศลให้เกิดขึ้นได้นั้นน่ยมาจากการฟังพระธรรมที่ถูกต้องคือพระสัตธรรมฟังพระวินัยยิพีโดพระสุตตันตพีโกพระพิธรรมพีโกเนะ่ยฟังรรสิกขาสมนั่นแหละเหตุที่เราได้ฟังธรรมบกครสัตรบรรลุคือครพบพระพุทธเจ้าสาวกพระพุทธเจ้าการที่ได้ครพบพระพุทธเจ้าสาวกพระพุทธเจ้าเพราะเราอยู่ในถิ่นที่เหมาะสมเ ข, เ, เขาเรียกว่าปฏิรูปประเทศ ปฏิรูปประเทศมาจากปุกเพกะตปุญญาตาบุญในอดีตน่ดีเจตนากรรมในอดีตจะเป็นไปกากุศลดีแต่เจตนากรรมในอดีตที่เป็นไปกากุศลเกิดขึ้นได้เพราะมีอัตตาสัมมาปณิทิในอดีตคือการตั้งสัมมาทิฏฐิไว้ถูกฉะนั้นการได้สัมมาทิฏฐิในอดีตเลยกลายเป็นปัจจัยให้ทำปุเพกตปุญญตาไงพอบุญเก่าก็เลยทำให้เกิดในถินที่เหมาะสมมันมานั่งอยู่ตรงนี้ไงทินที่เหมาะสมพออยู่ในถิน่นที่เหมาะสมก็เลยมาฝ้องพระเจ้า พุทธเจ้าก็เลยบอกให้สาวกของท่านกล่าวพระธรรมไงพอกล่าวพระธรรม เ, เสร็จแล้วก็ฉลาดคิดคิดถูกทางถูกวิธีพอคิดถูกทางถูกวิธี เ, เสร็จเสร็จกุศลจิตก็เกิดขึ้นสังเกต ด, ดูที่เกิดไหมถ้ากุศลจิตเกิดขึ้นก็สังเกตยังไงสภาพกุศลเป็นยังไงลักษณะของกุศลน่ะให้ผลที่ไม่มีโทษลักษณะที่ไม่มีโทษ และให้ผลเป็นความสุขให้ผลเป็นความดีให้ผลเป็นความสุขที่เกิดขึ้นแล้วกิจของกุศลก็ทําลายบาปเป็นระยะระยะตอนนี้บาปถูกทําลายไหมสังเกตที่ลองสังเกตที่ใจที่บาปถูกทําลายไหมความหงุดหงิดฟุ้งซ่านถูกทําลายไหมความโลภถูกทําลายไหมความกําหนัดความขัดเคืองความรุ่มหลงถูกทําลายไหมความหดหู่ท้อถอยอ่ะถูกทําลายไหมความฟุ้งซ่านถูกทําลายไหม ความลังเลสงสัยถูกทำลายไปหรือไม่ถ้าไม่ถูกทำลายแปลว่ากุศลไม่ทำกิจทำไมถึงไม่ทำกิจโยนิโสไม่ทำงานทำไมโยนิโสไม่ทำงานเพราะฟังไม่เข้าใจถ้าฟังเข้าใจเนี่ยฉลาดคิดปลุกเร้าจิตขึ้นมาปุ๊บปลุกเร้ากุศลได้เกิดขึ้น กุศลเกิดขึ้นแต่ละครั้งใช่ไหมลักษณะที่ไม่มีโทษและให้ผลเป็นความสุขเกิดเป็นระยะระยะระยะเกิดติดต่อติดต่อเข้าไปทําลายบาปเป็นระยะระยะมานั่งสรรงบปุปปปกก๊บปึ๊บปึ๊บก็บาปเกิดเองแยกกุศลเกิดใดๆให้เข้าใจว่าตอนนี้พระธรรมมันเป็นปัจจัยเข้าสู่ทางทวารหูประชุมลงสู่ทวารใจพอเข้าใจไปเสร็จก็เดินตามคําสอนปุ๊บ กุศลก็เดินตามเดินตามก็ทำลายบาปเป็นระยะระยะระยะพอทำลายบาปเป็นระยะระยะสภาพจิตที่เป็นจิตสะอาดจิตที่ไม่สกโปกก็เกิดขึ้นเมื่อจิตสะอาดจิตที่ไม่โสกโปกจิตที่ผ่องใสเกิดขึ้นจิตที่มีศรัทธาเกิดขึ้นจิตที่มีความเลื่อมใสเกิดขึ้นจิตที่ผ่องแผ่วเกิดขึ้น จิตที่ตั้งมั่นในพระธรรมคําสอนของพระศาสดาเกิดขึ้นจิตที่มีศรัทธาอย่างแข็งแรงเกิดขึ้นมีความเชื่อมั่นต่อพระศาสดามากขึ้นมีความเพียรยกระดับกุศลให้เกิดขึ้นยาวมากขึ้นมากขึ้นประดุล ด, ดังถนนน่ยเหมือนเรามาจากเวมาจากไพมาจากวรานาสีอ่ะถามว่าถ้าสภาพถนนเนี่ยมเมล็ดหินมเมล็ด ตรวจไม่ดมได้ทรายถ้าไม่ผูกติดต่อกันกลายเป็นถนนถึงกุสินาราได้เราก็มาไม่ได้แต่พราะมีสภาพถนนที่เชื่อมโยงมาถึงได้ถึงกุสินาราได้รถเราจึงสามารถวิ่งแล่นมาถึงกุสินารามาเฝ้าพระศาสดานาแดนปริณิพานนี้ได้ชั้นใดถ้ากุศลจิตไม่สามารถเชื่อมโยงติดต่อกันเป็นแถวเป็นแนวไปจนถึงการบรรลุโลกุตตระธรรมได้มันก็จอด มันก็เดินไม่ถึงการพ้นทุกข์เพราะปริมาณของกุศลเกิดยาวไม่ได้มันมีบาปมาขั้นเป็นระยะระยะโดยมากบาปเนี่ยมาแทรกทียิบเลยแปลว่าอะไรแปลว่ากุศลไม่เกิดทำไมกุศลไม่เกิดโยนิโสมแสิกคานความฉลาดคิดการปลุกเรากุศลไม่เกิดจริงทำไมโยนิโสมไม่แข็งแรงเพราะการฟังพระสัธรรมไม่รู้เรื่อง ทำไมจึงฟังพระสัทธาไม่รู้เรื่องขาดตัวเข้าไปใกล้เมื่อเข้าไปใกล้แล้วก็นั่งใกล้เมื่อนั่งใกล้ก็เงียบโสดลงสดับแล้วก็ตั้งจิตรับรู้เมื่อตั้งจิตรับรู้จริงๆตั้งศรัทธาวรียสติสมาธิปัญญาตั้งโยนิโสมนัสการจริงๆเดี๋ยวเขารู้ทำไมจะไม่รู้ละ่ะ ทางโลกที่เราชำนาญที่สุดถ้าคุยทางโลกเราคุยกันได้เป็นวันเป็นเดือนเป็นปีอ่ะเพราะเราคิดบ่อยไงเพราะเราคิดเรื่องนั้นบ่อยเราน้อมจิตผิดบ่อยไงแต่ถ้าเราฝึกน้อมจิตให้ถูกน้อมจิตให้ถูกโอนจิตให้ถูกแล้วฟังพระธรรมให้ถูกต้องเดี๋ยวกุศลก็สำเร็จปลอบจิตตนเองเถอวะว่าทำได้ พระบรมศาสดาเป็นพระาศาสดามีพระบรมธาตุให้เราบูชาในวันนี้ได้พระาศาสดาก็เชื่อมั่นว่าเราเนี่ยเป็นบุรุษที่แข็งแรงเราจะเป็นพระพุทธเจา้าเราจะขนสัตว์หรือสัตว์ออกจากสังสารวัตและพระองค์ก็ทําได้นี่ไงทําให้เราเห็นแล้วไงว่าพระาศาสดาท่านทําได้จริงๆ แล้วเราท่านทั้งหลายถ้าพิจารณาอย่างนี้เราเราเร า, เรามาปฏิญญาณว่าข้าพเจ้ า, จ, า, า, า, า, า, าจะเดินตามรอยบาทรพระศาสดาใช่ไหมจะเดินตามรอยบาทรพระศาสดาให้อย่างมั่นคงถ้าแม้เมื่อจะเดินตามรอยบาทรพระศาสดาพระศาสดาให้เราเดินอะไรให้เดินกุศลธรรมให้เดินกุศลจิตให้มีศรัทธาตั้งมั่นในคุณของพระบรมศาสดาอย่าหวันไว ให้มีความเชื่อมั่นปล่อยศรัท ธ, ธาในตถาคตาโพธิสัทธาตามที่พรหมขอร้องบอกสัตว์ทั้งหลายปล่อยศรัท ธ, ธามาที่พระต ถ, ถาคตเจ้าเนเมตถ้าวมหาพรหมมีสหามบดีพรหมเป็นต้นยังเป็นศาสาวกของพระศาสดาเลยจะป่วยกล่าวไปใหญ่และเราท่านทั้งหลายใช่ไหมนั้นเราก็น้อมจิตศรัท ธ, ธาในพระบรมศาสดาให้มั่นคงเนะือย่าววันไหว เราดูภาษาริบุตรซึ่งเป็นพี่คนโตในบรรดาพุทธบริษัทที่ท่านไปราราพรมาสาดาเพื่อปรินิพานเนี่ยท่านเปนราราภาษาสดาเพื่อเจริญนิพานท่านบอกว่าภาษาเมื่อภาษาสดาบอกว่าสาริบุบตรบัดนี้เธอจงสําคัญการอันควรเถิดในเวลานี้การเห็นภิกษุเช่นเธอสําหรับภิกษุ น้องๆของเธอจักหาได้ยากเพราะฉะนั้นเธอจงแสดงธรรมแก่ภิกษุน้องๆของเธอเหล่านั้นเถิดคำว่าน้องๆ น, นี่แปลว่าพวกเราด้วยเนะพวกเราเนี่ยเป็นภิกษุเป็นอุบาสกเป็นอุบาสิกาเนี่ยคำว่าไปฟังภาษาลิบุตรแสดงธรรมเป็นครั้งสุดท้ายเนี่ยแปลว่าอะไรให้ไปดูอริยทรัพย์ ไปดูธรรมบรดกไปดูโลกิยามรดกโลกุตรามรดกที่ท่านภาษาลิบุตรเป็นบุตรคนโตของพระพุทธเจ้ารับมาต่อหน้าพระพักของภาษาสดาแล้วท่านภาษาลิบุตรก็เอามาแสดงของมรดกเหล่านั้นมาแสดงให้กับบริษัททั้งสี่ได้ดูได้ชมว่านี้ไง ท่านบำเพ็ญบารมีมาหนึ่งอสงไขยิ่งด้วยแสนมหากัปตอนนี้ท่านเป็นพี่คนโตท่านรับทรัพย์มาเยอะมากท่านรับสติปทานสี่สัมมาปทานสี่อิทิบาทสี่อินทรีห้าบลาหโพชฌงเจ็ดแล้วก็มรรคดเห็นไหมวันนี้เราท่านทั้งหลายมาบูชาพระพุทธเจ้า ฉะนั้นเราจับทำอาิสบูชาทั้งหลายเรามองไปข้างบนเราจะเห็นว่าเขาใช้ทั้งเพชรนินจินดาเนประดับถวายบูชาพระบรมศาสดาเราจะเห็นเขาสร้างสถูปที่มีความงดงามถวายเป็นพุทธบูชาเราจะเห็นภาพอันวิจิตทั้งหลายถวายเป็นพุทธบูชา สรุปวก็คือว่าสีเนี่ยเขาก็แต่งจนจนสีนั้นงดงามมีสีมีเสียงมีกลิ่นมีรสมีสัมผัสมีสภาพธรรมอารมณทั้งหลายเขาก็น้อมสักการะถวายบูชาตอนนี้เรามาได้เห็นมันเกิดจากบุญในอดีตไงเนี่ยรูปารมณสีงามๆเนี่ยเสียงพระธรรมทั้งหลายเนี่ยเนี่ยเป็นเสียงวัฒธรรมเนี่ยที่เกิดขึ้นจากคาสอนพุทธิย่าเนี่ย อันนี้ก็เกิดจากกุศลกลิ่นของหอมก็เกิดจากกุศลรสทั้งหลายที่เราได้สัมผัสทั้งหลายในการบริโภคอาหารก็เกิดจากกุศลเนรสดีๆทั้งหลายเนี่ยสัมผัสเข้ามาในนี้แล้วอุ่นเนี่ยเกิดจากกุศลนะเนี่ยสัมผัสเหล่านี้ทำมารมคือสภาพแห่งเขายึดโยงมาเป็นพัจเจดีได้ถวายเป็นพุทธบูชาได้เป็นดอกไม้เป็นกองหอมที่ยึดยองติด กันไม่ขาดสะบ้านออกจากกันได้อันนี้เป็นสภาพของธรรมอารมณ์ยึดโยงกันอยู่สรุปก็คือว่าทั้งสีทั้งเสียงทั้งกลิ่นทั้งรสทั้งผดถ้าพาและธรรมอารมณ์เนี่ยเป็นผลบุญของเราที่ทําไว้แต่บางท่านมาดูแลปล่อยกิเลสเกิดีะเสียหายพอชอบใจกําหนัดอู้ยงาเหมความกําหนัดเกิดขัดเคืองอีกว่าเราไม่มีของดีๆถวายโกรธอีก ร่วมหลงแยกแยะพิจารณาไม่ได้ปัญญาดวงตาเคือจิตดวงจิตมันบอดทำไมดวงจิตจึงบอดเพราะขาดปัญญาทำไมดวงจิตจึงขาดปัญญาเพราะขาดสมาธิงไงไม่มีสมาธิเป็นประทาฐานเอาทำไมจึงขาดสมาธิเพราะไม่มีสติรละลึกบ่อยๆทำไมจึงขาดสติเพราะไม่มีความเพียรยกระดับกุศลทาไมจึงขาดความเพียร เพราะไม่มีศรัทธาเอ้าทำไมจึงขาดศรัทธาเพราะไม่ฟังธรรมทำไมจึงไม่ฟังธรรมทำไม่ครบสัตบุรุษไงทำไมจึงไม่ครบสัตบุรุษเพราะไม่ได้อยู่ในถิ่นตรงนี้ทำไมไม่มาตรงนี้เพราะไม่ได้ทำบุญกัไว้ทำไมจึงไม่ได้ทำบุญไว้เพราะตั้งจิตไว้ผิดเข้าใจยังไงเียุที่ตั้งใจจิตไว้ผิดนั่นแหละจึงไม่ได้ทาบุญเก่าจึงไม่มีบุญเก่า พาะไม่มีบุญเก่าจึงไม่เดินมาอยู่ตรงนี้เนยะหมายถึงมาบูชาพระธาตุนะอนีิไม่ได้มาบูชาพระธาตุเพราะพาอไม่ได้สร้างเหตุปัจจัยไว้ที่เราสร้างเหตุปัจจัยมาเบียเศ็จเราได้มาตรงนี้แล้วได้มาฟังธรรมทำโยนิโสพระโยนิโสเกิดขึ้นศรัทธาก็เกิดแล้ว ศรัทธาเป็นปัจจัยแก่ความเพียรความเพียรเป็นปัจจัยแก่สติสติเป็นปัจจัยแก่สมาธิสมาธิเป็นปัจจัยแก่ปัญญาแล้วก็โลดแล่นหมุนอยู่ตอลอดเวลาไหมสมาทานเลยบอกหนึ่งเราจะหลีกหนีจากไม่ครบบุคคลที่ไม่มีศรัทธาไหมถอยห่างจากบุคคลที่ไม่มีศรัทธาและก็ปฏิเสธจิตที่ไม่มีศรัทธาด้วยนะกําจัดจิตที่ไม่มีศรัทธาออกไปด้วย สมาคมคบหากับบุคคลที่มีศรัทธาน้อมจิตไปในศรัทธาบ่อยๆแล้วก็ฟังคุณของภาษาสดาเ ย, ยอะๆเดี๋ยวศรัทธาก็เกิดเดี๋ยศรัทธาก็เกิดว่าเมื่อศรัทธาเกิดแล้วก็หลีกหนีบุคคลที่เกียดข้านคนที่ไม่ตั้งความเพียรคนที่ไม่เจริญกุศลเนหลีกนีหลีกหนี้จิตที่ไม่มีความเพียรด้วยแล้วก็สมาคมคบหาบุคคลที่มีความเพียร ในการเจริญส ม, มประทานเนื้อและเลือดจงเหือดแห้งไปเถอะเจะเหลือแต่หนังเอ็นกระดูกก็ตามทีถ้าศรัทธาของพระสัมมาถ้ายังไม่ศรัทธาในพระเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์อย่างแท้จริงจกไม่หยุดความเพียรในตั้งหลักอย่างนี้อยู่ยังมานั่งต่อหน้าพระศ า, าสดาปล่อยทีน้มิถะความซึมเศร้าเงาง่วงเหงาหอนอนเกิดขึ้นเงี้ยแปลว่านี่เขาเรียกว่าขาดความเพียรก็เราไปครอบจิตแบบนี้ เราไปครอบจิตแบบนี้ บ, บ่อยๆมันก็ไปเลยแต่นี้ไปไปที่สุดจริงๆก็ยกระดับจิตไม่ได้พอวิริยะยกไม่ได้สติจะเกิดยังไงตามอะลลึกือคำสอนไม่ได้แล้วขาดเป็นระยะระยะสมาธิก็ไม่ตั้งมันไปยัง น, นี่เข้าใจแล้วนะ่เอาเข้าใจแล้วสวดมนต์พุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณ แต่ก่อนเดี๋ยวสวดบา ร, รมีสิบก่อนนะน้อมว่ากว่าที่พระศ า, าสดาจากมาปรินิพานที่ตรงนี้กว่าจะแสดงทมให้เราได้พระบรมศาสดาต้องลำบากในการบำเพ็ญทานบา ร, รมีพระองค์รักษาให้ทานประดุดังหม้อที่ควา่าให้อย่างไม่เหลือให้เนื้อจนดินแผ่นดินพ่ายแพ้ ให้เลือดจนะจน้ำในมหาสมุทรพ่ายแพ้ใช่ไหตัดศีรษะเป็นทานจนภูเขาสิเนรูปุพ่ายแพ้รักษาศีลประดุดดังจามรีรักษาคนหางเป็นต้นรักษาไม่ได้เห็นแก่การที่ตนเองนั้นน่มีชีวิตอยู่แต่รักศีลมากกว่ารักชีวิตบำเพ็ญเนคขมมาปัญญาวิริยะเราน้อม สวดถวายเป็นพุทธบูชาเราท่านทั้งหลายเวลาสาธยายบารมีสิบอุปบารมีสิ บ, บรมิตบบารมีสิบเป็นต้นที่พระบรมศ า, ศาสดาบำเพ็ญมาอย่างยาวไกลเพื่อการตัสรู้สัมมาสัมโปธิยานแล้วประกาศพระธรรมคำสอนในการที่ลาดรดกระแสจิตใจของเราสังสัตว์โลกทั้งหลายเนี่ยฉะนั้น ในขณะที่เราตรึกหรือเราใขค่ควรเนี่ยสังเกตตรงไหนลองสังเกตดูสภาพจิตใจดูทีว่าสภาพจิตใจตอนเนี้ยกุศลละจิตเกิดไหมถ้าสภาพกุศ ล, ละจิตเกิดดูว่ากุศ ล, ละจิตนั่นก็คือมีความสะอาดนั่นเป็นผลปรากฏอะไรสะอาดวิถีจิตความคิดสะอาดกำจัดวิถีจิตโสขปกออกได้ นั่นแหละความสะอาดที่เกิดขึ้นมาเมื่อจิตสะอาดกายกรรมก็สะอาดวจีกรรมแสดงออกมาทางวาจาก็สะอาดฉะนั้นความสะอาดที่เกิดขึ้นมานี่แหละจากการสาธยายจากการปังวะธรรมวิถีจิตที่สะอาดมีศรัทธาเป็นประธานมีวิริยะมีสติสมาธิและปัญญาวันนี้เรามาถวายพุทธบูชา มีศรัทธาคือความเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวมีความเด็ดเดี่ยวในการที่มอบกายถวายชีวิตแด่พระศ า, าสดาด้วยน้องไปที่ส ก, การะทั้งหลายถวายเป็นพุทธบูชาที่เป็นอมิสบูชาเชื่อมโยงเป็นปัจจัยสู่ธรรมบูชามีศรัทธาที่มั่นคงเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวมีเจตนาคือสภาพที่ปรุงแต่งจิตที่เป็นไปกับกุศลอย่างต่อเนื่องมีปัญญาเห็นคุณของพระศ า, าสดาเห็นโทษของ การเวียนไหวาตายเกิดชัดเจนขึ้นเมื่อสภาพกุศลจิตเกิดขึ้นเนี่ยก็จะทําให้จิตนั้นเกิดปราโมทปราโมทก็คือสภาพที่ผ่องใสเกิดขึ้นมาปราโมทยางปีติมีขุทกาปีติปิติที่เล็กๆ น, น้อยๆเกิดขึ้นในกระแสะใจนะคนโลภชูชันเป็นต้นเกิดขึ้นไหมปีติเป็นปัจจัยเกิดปัจสถานีคือความสงบปัจสถานีความสงบก็เป็นปัจจัยเกิดความสุขโสมนัท สุขสมมนัตถึงจะเป็นปัจัยแก่สมาธิสมาธิก็เป็นปัจัยเกิดปัญญาที่รู้และเข้าใจพระธรรมคำสอนของพระาศาสดามากขึ้นนั่นแหละถ้าสภาพของกุศลธรรมเกิดขึ้นก็จะเป็นไปในลักษณะอย่างนั้นเหมือนที่เราสวดสาธยาที่เราบูชาพระาศาสดาใช่ไหมเมื่อสักครู่เรากล่าวบอกว่าวันทามิเจตยังสั พ, พังอารามสุปติทิตัง ภูมิพรมหาราชาทัตวาสารีริกถาธุโยเป็นต้นอันนั้นเลยกล่าวสรรเสริญบอกข้าพุทธเจ้ า, าขอากลาไวไหวพระบรมธาตุที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเนี่ยทรงพระกรุณาโปรดก้าพระราชาทานพระบรมภาษาลีริกธาตุมาประดิษฐานไว้ในมหาธาตุเจดีแห่งนี้ที่เราสาธยายกันแล้วก็บูชานี่นเนยเราบูชาด้วยอามิดคือสิ่งของ บูชาด้วยอมิตรคือสิ่งของแต่ใจที่น้อมบูชาจริงๆนั้นเป็นเจตนาเจตนาที่มีการจัดแจงก่อนที่จะมานั้นเป็นปุกพระเจตนาจิตใจก็เป็นไปกับดีใจเกิดความดีใจเกิดความสุขใจในขณะมาถึงฟังธรรมน้อมบูชาด้วยก็เป็นไปกับความเชื่อมั่นและเลื่อมใส ทำเสร็จแล้วก็ชื่นใจอย่างยาวไกลนึกทีไรสภาพของมหาธาตุเจดีพระบรมศาสดาประทับนั่งอยู่นาที่นี้ที่พระศาสดาตรัสไว้บอกว่าพระธรรมวินัยจะเป็นศาสดาของเธอไงสถานที่ประสูติสถานที่สัสรุสัมมาสัมโพธิีดานสถานที่แสดงพระธรรมจักให้เป็นไปสถานที่ปรินิพานของพระศาสดาโพธิพุก พระแท่นวัชระอาสถานที่ตถาคตทรงบริโภคใช้สอยพระท่าที่เกิดจากศรีระของเราจะเป็นศาสดาของเธอก็จะเป็นศาสดาของภิกษุเป็นศาสดาของภิกษุณีเป็นศาสดาของอุบาสกและเป็นศาสดาของอุบาสิกาพระบรมศา ส, าสดาสร้างพระบารมีสิบอุปบารมีสิบปรมาธบารมีสิบเนี่ยมองเห็นสัตว์โลกที่เป็นไปในจักรวาลทั้งหลายประดุดดังบุตรของท่านนะ พระศ า, าสดาจึงไม่มีความโกรธในบุตรของตนเองเลยมีความรากักความปรารถนาดีความเอื้อทอนมีพระมหากรุณาที่คุณทรงประทานธรรมะมรดกเนะียไม่ใช่แค่ธรรมะมรดกอย่างเดียวเท่านั้นพระ菩萨สดายัางประทานอมิตรสมรดกวันนี้เรามาบริโภคใช้สอยมรดกของพระ菩萨สดาโดยฐานะอมิตรใช่ไหมเรามาอยู่วัดเนี่ย เรามาบริโภคใช้สอยในสมบัติเหล่านี้ทั้งหมดในพื้นแผ่นดินในอนูต่างๆเหล่านี้บริเวณที่เราเหยียบเรานั่งสถานที่เราใช้สอยทั้งหลายนี่เป็นอามิสปรดดของพระศาสดานะเขาสร้างถวายพระพุทธเจ้าเป็นของพระพุทธเจ้าถามว่าเรามอบบริโภคประดดของพระศาสดาพระศาสดาบอกว่ายังไงดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายอย่าเป็นอามิสทายาทจงเป็นธรรมทายาทของเราเถิด อามิสมทายาตเป็นทายาตที่ไม่สะอาดเนะถ้าเกิดมาทั้งทีมาติดแค่ที่อยู่อาศัยมายินดีเพลิดเพลิ น, พนแค่เครื่องนุ่งหม่มมายินดีเพลิดเพลินแค่ยารักษาโรคอาหารมายินดีพอใจแค่ปัจจสี่เหล่านี้พระศ า, าสดาบอกเป็นปัจญามิตรอามิตรคือปัจจสี่หรือมายินดีเพียงส ก, การาทั้งหลายฐานะที่เป็นครูเป็นอาจารย์ ฐานะที่เป็นพ่อเป็นแม่ที่คนยกย่องนี่เขาเรียกโลกามิตรการติดข้องในอามิตรคือสถานะและไม่ต้องพูดถึงในส่วนจริงกระแสของราคะโทสะโมหะที่ฝังแน่นในจิตใจมันก็จะไปติดวัตตามิตรคือพบภูมิที่ดีๆการไปเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาทั้งหลายพระศาสดาคายทิ้งแล้วในวันที่พระบรมศาสดาจักเสด็จออกโบสถ์พญ า, ามารถือดาบขวางหน้ายืนอยู่บนอากาศ บอกว่าสิทธาเธอจะไปทำไมอีเจดวันจะเป็นจักรพัสดีราชมีมหาสมุทรทั้งสี่เป็นเขตแดนแล้วก็จะมีเมืองสองพันเมืองเป็นบริวารบางคราวนะ่ปกครองยันจาตัวมหาราชิกายังแบ่งสวรรค์ของเท้าสาก่าอีกครึ่งหนึ่งนะเหนือดาวดึง อย่างเช่นพระเจ้ามันธาตุราชเนี่ยตบพระหัตถ์แต่ละทีเนี่ยฝนกระหาปะหัะทองคำไหลมาจากทองฟ้าเนี่ยกองเป็นหน้าตักบุญของท่านดีขนาดนั้นน่พระศ า, าสาดายังบอกว่านั่นแหละอามิตรอามิตรอามะศับเนี่ยแปลว่ากลิ่นคาวของราคะกลิ่นคาวของโทสะกลิ่นคาวของโมหะมันทำให้สัตว์นั้นยึดติด ฉะนั้นอย่าไปยินดีเพื่อเพลินในอามิ t h เหล่านั้นพระศ า, าสดาว่าเป็นมรดกที่ไม่สะอาดเป็นมรดกที่ไม่ดีขอให้เธอทั้งหลายจงเป็นธรรมทายาธธรรมทายาธคือเป็นทายาธโดยฐานะแห่งพระธรรมมารับธรรมมัรดกเหมือนภาษารีบุตรไงตอนที่ท่านภาษารีบุตรจากปรินิพานท่านภาษาลีบุตรก็เอาธรรมมัรดกที่ได้รับจากพระศ า, าสดามาถวายเป็นพุทธบูชาใช่ไหย วันนี้เราท่านทั้งหลายมาอยู่ต่อหน้าพระบรมศาสดาแล้วนอกจากอามิสบูชาคือบูชาด้วยปัจจัยสี่ของหอมแล้วเรามีธรรมะใดๆเกิดขึ้นในความคิดไหมที่จะถวายเป็นพุทธบูชามีไหมมีกุศลทานมีศรัทธามีศีลมีกุศลศีลมีเจตนาศีลคือจงใจจัดแจง ที่เป็นศีระณะที่จะเป็นปัจจัยแก่การไม่ให้กายยถาจริตวจีทุจริตให้เกลื่อนกลกระจัดกระจายออกมาถวายเป็นพุทธบูชาไหมจะทําให้ใจนั้นเป็นไปกับกุศลศีลถวายเป็นพุทธบูชาหรือไม่ลองน้อมพิจารณาดูที่ว่ามีสมาธิคือจิตที่ตั้งมั่นถวายเป็นพุทธบูชาไหมมีศรัทธามีวิริยะมีสติสมาธิปัญญา ถ้ามีศรัทธาจริงศรัทธาก็ออกจากความไม่มีศรัทธาได้ถ้ามีวิริยะจริงๆวิริยะก็ออกจากความเกียจค้านกุมโกสศชะอกุศลบาปอากุศลธรรมอันลามกที่เกียจค้านไม่กล้ายกระดับให้กุศลเกิดอย่างต่อเนื่องได้ถ้ามีธรรมะบูชาพระพุทธเจ้าจริงต้องมีสติตามลาลึกถึงพระธรรมในขณะที่ฟังอย่างต่อเนื่องแบบจิตจดจ่ออยู่ตลอดเวลา ถวายเป็นพุทธบูชาด้วยกุศลธรรมเกิดในใจได้ด้วยมีสติตามละลึกได้ย้อนละลึกก็ได้จำได้คิดได้ไม่ฟันเฟือนไม่เลือนเลือด้วยและก็มีสมาธิคือความตั้งมัน่นทั้งขณิกาสมาธิเป็นไปตามะระดับในการฟังธรรมอย่างต่อเนื่องมีปัญญาความรู้ความเข้าใจเห็นคุณของภาษาสดาเกิดความทราบซึ้งในคุณของภาษาสดาชัดเจนขึ้น อันนี้แสดงให้เห็นชัดว่าธรรมะบูชากําลังไหลยอยู่ในกระแสใจของท่านทั้งหลายแล้วดูที่ปรามโมุ่ดเกิดขึ้นไหมความอิ่มใจเล็กๆ น, น้อยๆเริ่มเกิดขึ้นไหมว่าเป็นบุญของเราแล้วเนาะเราได้ดีแล้วเนาะเราได้นําศรีระที่ไม่มีสาระมานั่งถวายเป็นพุทธบูชาแล้ว ย, ยังไม่พอมีสาการาตรงหน้าถวายเป็นพุทธบูชาแล้ว ย, ยังไม่พอยังทํากุศลจิตให้เกิดขึ้นทํากุศลธรรมให้เกิดขึ้นถวายนอบน้อมเป็น พุทธบูชาว่าข้าพเจ้าจากบ้านสู่บ้านจากเมืองสู่เมืองเพื่อนมัสการความตัดสู้ดีของพระพุทธเจ้าวความเป็นธรรมดีของพระธรรมการประพฤติปฏิบัติดีของภ ร, ริยสง์ข้าพเจ้าได้ดีข้าพเจ้าตัดสินใจอย่างเด็ดขาดแล้วข้าพเจ้ามีพระพุทธเจ้าเป็นสารณะมีพระธรรมเป็นสารณะมีภ ร, ริยสง์เป็นสารณะเป็นเครื่องกำจัดภัยเป็นไปในเบื้องหน้าถ้ามีใครถือดาบมาจะตัดศีรษะของข้าพเจ้าให้หลุดจากบา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 ลมหายใจมีอยู่ตราบใดข้าพเจ้าก็จักมีพระรัตนตรัยอยู่ตราบนั้นมีชีวิตเป็นที่สุดมีอวัยวะเป็นที่สุดมีสรีละเป็นที่สุดข้าพเจ้าจักเชื่อมั่นตั้งมั่นไม่หวนไหวในพระรัตนตรัยอย่างเด็ดขาดจักไม่ให้ศรัทธาหลุดไปจากพระธรรมคําคสอนของพระาศาสดาแล้วถ้าเป็นไปอย่างนี้แปลว่าอะไรแปลว่าศรัทธาตั้งมั่นแล้วนี่แหละ ประคับประคองไว้ท่านทั้งหลายต้องรักษาศรัทธาเองอย่าให้สุดลงอย่าให้แหวบลงพัฒนาศรัทธาให้เข้มแข็งจนสามารถไปประชุมในโลกุตละธรรมได้เป็นบุญยร า, าบแล้วเราได้แบกสรีระที่ม่มีความงามไม่มีความเที่ยงไม่มีความสุขที่แท้จริงไม่ได้เป็นตัวตนเลยเอามาซบใต้พระบาทของพระศาสดา ถวายเป็นพุทธบูชาข้าพเจ้ามอบกายถวายชีวิตข้าพเจ้าเป็นท่าตพุทธเจ้าข้าพเจ้าเป็นสิทธิ์ของพุทธเจ้าข้าพเจ้าเป็นลูกของพุทธเจ้าอย่างแท้จริงเราจักไม่กระบฏต่อคําสอนของภาษาสดาเด็ดขาดข้าพเจ้าเป็นภิกษุเป็นอุบาสกเป็นอุบาสิกาได้มาซบพระบาทซบศีรษะติดพระบาทของภาษาสดาในวันนี้ ทำจักสุคือญาณปัญญาให้เกิดขึ้นพระศ า, าสดาตรัสบอกว่าจักสุญาณปัญญาวิชาแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วก่เราในธรรมทั้งหลายที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนว่าทุกเป็นสัจจะเป็นความจริงแท้ไม่แปรผันสมุทัยเป็นเหตุให้เกิดทุ ก, ก็เป็นสัจจะเป็นความจริงแท้ไม่แปรผัน นิโรธาสัจจะคือสภาพที่ดับจากวัตทุก์ก็เป็นสัจจะเป็นความจริงแท้ไม่แปรผันมรรคคืออริยมรรคมีองค์แปที่สรุปลงในศีลสมาธิปัญญาก็เป็นสัจจะเป็นความจริงแท้ไม่แปรผันเป็นสัจจะเป็นความจริงของพระตถาคตเป็นสัจจะเป็นความจริงของพระรยเจ้าข้าพเจ้าทั้งหลายมาอยู่ต่อหน้าพระบรมศาสดาปราถนาจะเข้าสัมผัสสัจจะความจริงแท้ไม่แปรผัน ที่พระศาสดาได้ตัดสู้แล้วพระศาสดาประกาศว่าตถาคาาถตาาเป็นสัมมาสัมตสู้สัมมาสัมปชัญญเป็นพระพุทธเจ้าเธอทั้งหลายจงเชื่อมั่นสัมมาสัมปชิญาณของเราเนอเธอทั้งหลายจงเชื่อมั่นสัพพัญญุตญาณของเราที่สามารถรู้ได้ทั้งหมดจงเชื่อมั่นอนาวนาญาณที่กระแสะของชีวิตทั้งหลายที่เป็นไปในจักรวาลที่ไม่ได้ พยานของตถาคตไม่ได้สัมผัสเป็นไม่มีกระแสะขันของเราที่เป็นมาในอดีตนั้นพยานของพระศ า, าสดานั้นได้สัมผัสแล้วพระศ า, าสดามีอินเดียปรโรปรเรติยานรู้ความอ่อนแก่ของสัตวาวิริยสติสมาธิปัญญาของสัตว์โลกทั้งหลายตถาคตมีอาสยานุสยญาณรู้ว่าสัตว์ทั้งหลายมีอาสะวะกิเลสมีอนุัยกิเลส นอนเนื่องอดูอในขันธสันดานเป็นเหตุให้ท่องเที่ยวในสังสารวัฏพระาศาสดามีพระมหากรุณาสมาปฏิญังทรงมีพระมหากรุณาที่คุณตรวจดูกระแสขันของสัตว์โลกอยู่ตลอดเวลาวางพระวินัยปีดศีลบอกว่าเธอทั้งหลายถ้ามีกุศลศีลมีธรรมะม ร, รดกของประของตถาคตไปหล่อเลี้ยงกระแสของชีวิตแล้วเธอจะไม่ได้ไปเกิดเป็นสัตว์นรกไม่ได้ต้องไปเกิดเป็นเปรตไม่ต้องไปเกิดเป็นสัตว์ เดรชานไม่ต้องไปเกิดเป็นอสุรกายไม่ต้องไปเกิดเป็นมนุษย์บ้าใบ้บอดนวกถ้ายังจะเวียนว่ายตายเกิดเธอก็จะเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เป็นเทวดาเป็นพรหมที่สมบูรณ์นืหรือไม่อย่างนั้นถ้าเธอเอาศีลเป็นประทัดฐานเตียสมาธิสมาธิเป็นประทัดต่อฐานต่อปัญญาเป็นต้นปัญญาอย่างรู้ทําให้วิมุตติคือความหลุดพ้นเกิดได้มีญาณทัศนาเกิดขึ้นได้จากสูขของภริยะระดับเป็นพระรหันเมื่อไรเธอก็จะพ้นจาก สังสารวัฏและพ้นจากวัตทุนะ่ะฉะนั้นในกรณีอย่างนี้ถ้าถามบอกว่าเรามีศรัทธาเชื่อมั่นในสัจจยานความจริงที่พระธถาคตได้ตรัสรู้สัจจะความจริงแท้ไม่แปรผันเป็นอย่างอื่นไหมถ้าเข้าใจอย่างนั้นก็เรียกว่าสัจจะยานเราน้อมเราเชื่อมัน่นว่าพระศาสดาตรัสรู้สัจจะจริงพระศาสดาตรัสบอกว่าจักขุญานปัญญาวิชาแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เรา ในธรรมทั้งหลายที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนว่าทุกเป็นกิจที่ควรกำหนดรู้เรากำหนดรู้ตามพระธราคตเจ้าไหมทุกก็คือตาหูจมูกทิ้นกายใจคือผมขนเล็บปันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูก ม, ม้ามหัวใจไตาตาปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยหันใหม่หันเก่ามันสมองดีสเสลต์หนองเลือดเหงื่อมันข้นน้าตาเปรี้ยวมันเนี่ยกระแสของรูปประคันกระแสของนามธรรมาก็คือ เวทนาขันธรรมชาติที่เสวยสุขและทุกข์สัญญาขันธรรมชาติที่จำได้หมายรู้เนี่ยสังขารขันธรรมชาติที่จิตเป็นบุญเป็นบาปเป็นต้นที่ปรุงแต่งจิตอยู่เนี่ยวินวิญญาณขันธรรมชาติาที่รู้อารมณ์ทางตาหูจมูกเลี้นงกายใจเป็นจักรวิญญาณโสตวิญญาณเป็นต้นเนกระแสของตาหูจมูกเลี้นกายใจเนี่ก็กระแสของทุกข์สัตว์ทุกข์สัตว์มันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะมีความไม่เที่ยงเป็นทุกข์ มีความเป็นอนัตตาไม่มีสาระแก่นสารของความงามความเที่ยงความสุขอย่างแท้จริงเลยไม่เป็นตัวเป็นตนเลยในกระแสของชีวิตนีนเป็นยังไงลองพิจารณาดูที่พระศาสดาสอนบอกว่าเป็นกิจที่ควรรอบรู้ควรกําหนดรู้ว่าสภาพของตาหูจมูกเล่นกายใจเนี่ยมันเป็นสภาพที่ไม่เที่ยงเป็นโรคเป็นหัวฝีเป็นลูกศ้อนเป็นความลําบากการยกขันธภาระขึ้นมาแบกการถือขันธภาระเหล่านี้เป็นของหนักเนะ พระศ า, าสดามาวางขันธภาระแล้วที่ปรินิพานสถูปเราไปเฝ้าพระศ า, าสดาไปซบศีรษะใต้พระบาทพระศ า, าสดาแล้วก็น้อมปฏิญญาว่าพระศาสดามาทิ้งขันธภาระมันละกษัตริย์สุนิสาประชาบดีในยุคโน้นประชาชนภิกษุอุบาสกอุบาสิกาภิกษุณีทั้งหลายที่ยังไม่ได้อริยจักสูตระดับเป็นพระอรหันต ยังไม่สามารถตัดโทมนัตในใจได้เขามาสถานที่ตรงนั้นประดุดทังคนเท้าขาดเนื้อบาดจีวรหลุดลุ่ยน้ําตาหนองร้องไห้ว่าพระศาสดาจากเราไปแล้วพระศาสดาพระตาาคตปรินิพานเร็วนักพระศาสดาด่วนปรินิพานเร็วนักข้าพเจ้าไม่มีโอกาสเข้าเฝ้าพระบรมศาสดายังตอนมีขันธภาละอยู่เห็นไหมเขาพากันนอบน้อมพระศาสดา นั่นก็เห็นคุณของภาษาสดาว่าภาษาสดาอุบัติเกิดขึ้นมาในเป็นดวงตาของโลกอดุ ด, ดังดวงอาทิตย์ที่ขึ้นส่องแสงอ่อนๆขึ้นมาใช่ไหมภาษาธรรมของพระสัมมาสุเจ้าก็เหมือนกับแสงของทวันพระสงฆ์ที่เกิดขึ้นจากการได้สัมผัสพระธรรมคําสอนของภาษาสดา ก, ก็เหมือนแหละเหมือนจากการที่ว่าสัพรพสัตว์ทั้งหลายได้รับไออุ่นจากแสงเหล่านั้นเป็นต้น เราท่านทั้งหลายมาพิจารณาในลักษณะอย่างนี้นะเดี๋ยวต่อไปเรากล่าวนอบน้อม ศ, ศาสดาอีกครั้งนะเดี๋ยวสวดองค์ไดพระสัมพุทธกันองคไดพระสัมพุทธโสวิโสตาสานดาน ตัดมูลกัเร็ดมานบ่มีมดมีมองมัวหนึ่งนายพระทายทันก็เบิบานคือดอกบัวราคี บ่อพันผัวสุวาคนทกาคำจององไดประกอบด้วยพระการุณาดังสาคนโปรดมูประชก่น มาลาโอข้ากันดาน